น้อมต่อคุณพระนาฏตายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอการเพื่อนสาธรรมิกเจริญพรอยังแม่ชีแะญาติธรรมทุกท่านฟังธรรมกันตามสบายวันนี้ก็เป็นวันตุนจีนถือเป็นวันมงคลวันหนึ่งของพี่น้องชาวจีนถือเป็นวันหยุดแล้วไปเที่ยวกันเมื่อวานก็เป็นวันไหว้วันไหว้ก็ถือเป็นวันกระตันยูลำลึกถึงบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้เป็นประเพณี แต่บางครั้งคนเราก็ไปติดวันสมมุติมากที่จริงนวันดีทุกวันนะไม่ใช่มีเฉพาะวันตุดจีนวันสงการวันวาเลนไทน์วันปีใหม่ที่จริงวันดีทุกวันถ้าเราเข้าใจชีวิตเพราะวันต่างๆที่ชาวโลกกาหนดให้เป็นวันเป็นแค่สมมุติเท่านั้นเมื่อกี้พระอาจารย์ตุ้มก็นำบทสวดมนต์อภิษฐปัจเจกมาสวดให้เราฟังบทนี้คือความจริงของชีวิต แต่เราเห็นความจริงที่เราหนีไม่พ้นเราต้องมีความแก่เราต้องมีความเจ็บเราต้องมีความตายมีการพัดภาคและมีกรรมเป็นของตัวไม่มีใครหนีกรรมพ้นเราทาดีแล้วก็ได้ดีทาชั่วแล้ต้องได้ชั่วเรื่องกรรมเ ป, เป็นเรื่องที่คนเข้าใจยากเพราะเราไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เพราะอยู่เหนือวิสัยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะทาความดีแล้วก็ไม่ได้ดีก็ได้หรือทคนทาไม่ดีอาจจะได้ดีก็ได้คนจะมองแค่ตรงนั้นอนานาเขาจะเล่ า, านิทานเขี่ยวเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องนี้เกิดที่เมืองจีนมีนักศึกษาหนุ่มอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ยากจนมากแม่พึ่งจะตาย ก็ทุกข์ใจมากเพรไม่มีเงินจะจัดงานศพให้แม่ไม่รู้จะทําไงพอเพอินข้างบ้านของนักศึกษาหนุ่มเป็นบ้านของเศรษฐีชายหนุ่มไม่มีทางเลือกตอนนี้ตัดสิ่ใจต้องขโมยเงินเศรษฐีให้ได้เพื่อจะนําเงินมาจัดการศพแม่ชายหนุ่มก็ที่ฐานจิตบอกว่าเงินเนี้ยเราไม่ได้ตั้งใจขโมยถ้าตายไปแล้วชาหน้าขอให้เกิดเป็นบววงวาย เือชดใช้เศรษฐีพอตั้งจิตอย่างนั้นปุ๊บก็เจาะกำแพงเข้าไปในบ้านเศรษฐีแล้วก็ก็ไปขโมยเงินมาจำนวนหนึ่งก็คงจะมากพอสมควรสำหรับจากนั้นศพเศรษฐีเป็นคนใจบุญพอรู้ว่าเงินถูกขโมยไปก็ไม่ได้กุ้มใจแต่อย่างไรแต่ภรรยาของเศรษฐีเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เหนียวก็ทุกข์ใจมากก็บ่นอยู่หลายวัน แล้วต่อมาไม่นานก็มีมีพระหลวงจีนอยู่ท่านหนึ่งหลวงจีนท่านนี้ก็เรียกรายเงินจากญาติโยมเพื่อ น, นาเงินไปบู ร, บรณะวัดก็ได้เงินมาจำนวนมากแล้วก็เดินทางเรียกรายต่อก็ทราบข่าวว่าเศรษฐีในใจบุญแต่ถ้าขนเงินมากมายขนาดนี้ไปที่ไหนมาไหนก็ไม่สะดวกจึงนำเงินมาฝากเศรษฐีไว้ จะได้เดินทางต่อไปเศรษฐีก็ใจดีก็รับฝากฝ่ายภรรยาก็เกิดความโลภอยากได้เงินก้อนใหญ่ที่พระนำมาฝากแต่ติดตรงสามีมันรู้ที่ทำไงเผิอเศรษฐีกับภรรยาเนี่ยยังไม่ยีบุตรภรรยาจึงวา ง, วางอุบายให้สามีเนี่ยเดินทางไปขอบุตรจากศาลเจ้าแห่งหนึ่ง ซึ่งก็อยู่ไกลพอสมควรต้องเดินทางหลายวันไปกับฝ่ายสามีก็อยากมีบุตรจึงเดินทางไปพรยาเศรษฐีพอสามีไปปุ๊บก็วางแผลเลยว่าจะฮุบเงินก้อนนี้ที่พระนํามาฝากหลังจากพระรูปนี้เดินทางไปเรย่องอะไรมาเงินมาพอสมควรก็เดินมาเดินทางมาจะรับเงินคืนใครมาถึงก็ทวงเงินฝ่ายภรรยาเศรษฐีก็ไม่ยอมให้บอกท่านทีฟันเฟือนแล้วฝากเงินตั้งเมื่อไหร่ พาก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเพราะเงินที่เป็นเงินที่ชาวบ้านเรียลัยมาด้วยจิตศรัทธาถ้าโยมโกงไปจะเป็นบาปมากพระยาเทศรษฐีก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้โกงและขอสาบานด้วยว่าถ้าเธอโกงไปขอให้มีน้ำตาออกไปสายเลือดและขอให้ตกนรกขุมที่ลึกที่สุดพาก็บุรุษทำไงเมื่อไม่ได้เงินก็จ ำ, จำใจต้องกลับวัดไป ฝ่ายเศรษฐีเดินทางกลับมาก็ถามภรรยาว่าพระมาะตาม่าตังมายังภรรยาก็บอกว่าเอากลับไปแล้วแถมเธอยังทําบุญด้วยอีกต่างหากเศรษฐีก็มีความสุขที่ว่าได้รวมทําบุญขั้นต่อมาเมียเศรษฐีก็ตั้งท้องได้ลูกชาย ตั้งแต่ลูกชายคนนี้คลอดมาเนี่ยเศรษฐีกิจการงานการค้าก็ลุ่เืองลุเรือ ง, ง, งขึ้นถือเป็นเป็นลูกนำโชคก็ได้เพราะเด็กคนนี้ช่วยทำงานทุกอย่างขยันขันแข็ ง, ข ง, ขงและขี้เหนียวเศรษฐีและภรรยารักมากหลังจากนั้นต่อมาอีก5ปีภรรยาเศรษฐีก็ตั้งท้องออกลูกเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่เด็กคนนี้แตกต่างจากคนแรก เด็กคนนี้เป็นเด็กที่เกิดมาพอพอโตขึ้นก็มีทิศสายเสยเพเที่ยวเตะเฮฮาเล่นการพนันไม่ช่วยไม่ช่วยทำงานทําการผิดกับลูกชายคนแรกที่ช่วยสร้างฐานะให้ครอบครัวนี่ตรงข้ามันเลยอีกฝ่ายหนึ่งหายอีกฝ่ายหนึ่งผาน เศรษฐีภรยาไม่รู้จะทําไงตอนหลังก็แบ่งสมบัติกัน3มส่วนเศรษฐีภรรยาส่วนหนึง่งให้ลูกชายคนโตส่วนหนึง่งให้ลูกชายคนเล็กส่วนหนึง่งหลังจากแบ่งสมบัติแล้วลูกชายคนเล็กก็ยังล้างผานต่อไปเล่นการพา น, านันเที่ยวซ่องหันหาใบยมุกต่างๆเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนจนเงินตัวเองเนี่ยหมด พอหมดก็มาถายพ่อแม่ต่อพ่อแม่ก็ไม่รูท้ทําไงจําเป็นต้องให้หลังจากนั้นไม่นานเงินเสร็จถีกับภรรยาก็ล้อยหล่อลงไปลูกชายคนเล็กก็ไปขอพี่ชายต่อพี่ชายก็ทุกข์ใจมากเพราะตัวเองพนกี้เหนียวแต่ลูกชายแต่น้องชายเนี่ยเป็นนักเลงก็มาคมคูมาถายอยู่ในประจามไม่รูท้ทําไง จำปัจจัยต้องให้พอดานานเข้าพี่ชายคนโตก็ป่วยแล้วก็ตอมใจตายน้องชายก็ดีใจที่ได้สมบัติของพี่ชายจึงล้างผ่านต่อไปมีเศรษฐีเห็นพฤติกรรมของลูกชายคนเล็กก็เศร้าใจเสียใจจนตะหลังเนี่ยน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดเลย ก็ตอมใจตายไปอีกคนหนึ่งเศรษฐีก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าตลอดชีวิตเนี่ยเป็นคนทำบุญสุนทานเป็นคนช่วยเหลือคนมาตลอดชาตินี้เราก็ไม่ได้ทำกรรมอะไรทำไมต้องเกิดเหตุการณ์งนี้กับชีวิตเราด้วยเศรษฐีตอนนี้ก็โทษฟ้าโทษ ด, ดินละล้วจะได้อีกไม่นานลูกชายคนเล็กก็ตายตายลงเพราะว่าติดโรคจากการเที่ยวซอง เศรษฐีก็เสียใจร้องไห้จึงเดินทางไปที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งแล้วตัดพ้อต่อว่าว่าทำไมฝาดินไม่ยุติธรรมพยายมไม่ยุติธรรมด้วยฟ้าอ่อนเพียเศรษฐีก็หลับก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเศรษฐีตื่นไม่ทีก็ตัวเองก็อยู่ในยมโลกยมทูตก็เชิญให้ไปพบ พยายมพยายมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับเศรษฐีด้วยดีพอเห็นพยายมเศรษฐีก็ถามทำไมชีวิตของผ้านถึงเป็นเช่นนี้ทำความดีมาตลอดพยายมก็ให้ยมมาทูตเนี่ยพาลูกชายทั้งสองออกมาลูกชายคนโตขเขาเศรษฐีเจอหน้าก็เฉย เหมือนไม่รู้จักเศรษฐีแล้ววิญญาลูกชายคนโตก็บอกว่าตนเองเนี่ยเป็นนักศึกษาที่เคยขโมยเงินของเศรษฐีไปไปจ่ายการสมแม่หลังจากตายลงก็มาเกิดเป็นลูกชายคนโตทํางานใช้นี่ทั้งต้นทั้งดอกเพื่อเศรษฐีเนี่ยร่ำรวยยิ่งขึ้นตอนนี้ก็ได้ใช้นี่หมดแล้วจึงไม่มีความผูกพันต่อกัน เศรษฐีก็หันไปมองลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กก็เหมือนไม่รู้จักพ่อเหมือนกันไม่แยแสแล้วก็บอกว่านาฏิชาติเนี่ยเขาคือหลวงจีนที่นํางเงินไปฝากเศรษฐีไว้แล้วไม่ได้คืนจึงจึงกลับมาเกิดเป็นลูกเพื่อทวงหนี้ทั้งต้นทั้งดอกให้มากที่สุดเศรษฐีก็ตกใจว่าเรื่องนี้เป็นไปได้ยังไงเพราะว่า ภรยาบอกก็คืนแล้วยยบะทูดจึงไปนำภรยาของเศรษฐีออกมาหน้าตาของภรยาเศรษฐีดูแทบไม่ได้เลยเพราะเธอตกและลกขุมนิลึกถูกโซ่พันคอและแขนขาในตามีเลือดไหลตลอดเธอก็สารภาพว่าเธอไม่ได้นำเงินที่พาฝากไว้เธอคุบไปเองแล้วก็สาบานแบบนั้นจึงต้องมาใช้กรรมเศรษฐียังเข้าใจชีวิต ว่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นี่เองจึงทําใจได้ก็เห็นความไม่เที่ยงของทางโลกพอปล่อยวางได้เสียถี่ก็บวชในปัจจชีวิตบางครั้งเนี่ยคนเราที่มาเจอกันเนี่ยอาจจะเคยผัวพันกันในอดีตชาติก็ได้คนที่เป็นลูกคนที่เป็นสามีภรรยาบางครั้งเราอาจจะเจอลูกมาใช้นี่บางครั้งเราอาจจะเจอลูกมาล้างผานทําให้พ่อแม่ทุกข์ใจอาจจเป็นเจ้ากรรมในเวทมาทวงนี้ก็ได้ สามีภรรยาก็เหมือนกันบางครั้งเราเจอภรรยาที่ทำให้เราทุบทำให้เราเดือดร้อนอันนี้อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือสามีก็เหมือนกันบางทีทําให้ภรรยามีความสุขกินเหล้าเมายามีกิ๊กตลอดอันนี้ก็คู่กรรมคู่เวรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้น ล, ลอยๆนะมันมีเหตุอยู่แต่เราไม่รู้เหตุมีอีกเรื่องหนึ่งมีชายอยู่คนหนึ่งชายคนนี้เป็นคนที่ใจบุญชอบทําบุญมาก เมืก่อนเป็นคนที่ร่ํารวยด้วยวที่สายที่ชอบทําบุญทําให้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเริ่มเร่หล่อลงไปชาวนี้เป็นคนที่ชอบช่วยคนมีงานที่ไหนก็ไปช่วยที่นั่นแล้วทาบุญครั้งละมากๆทําด้วยจิตศรัทธาจริงๆตอนหลังทําจนเงินหมดไม่รู้จะทําไงจึงนําภรรยาเนี่ยไปขายให้เป็นคนใช้เขาเศรษฐีเพราะว่าบทปรญยาเลี้ยงภรรยาแล้ว พอที่บ้านยากจนภรรยาจึงเดินทางไปทำงานอยู่บ้านเศรษฐีชายคนนี้ได้เงินมาก้อนหนึ่งจากการขายภรยาก็ทำเงินไปทำบุญต่อจนเงินหมดจนตอนหลังเนี่ยต้องกลายเป็นขอทานเป็นที่สังเวชใจกับชาวบ้านเป็นอันมากว่าชายคนนี้ทาดีทำไมถึงไม่ได้ดีทาไมบุญกุศลถึงไม่ช่วยเขาเรื่องนี้จึงล้อไม่ถึง เทวโลกเทวดาจึงประชุมกันว่าเหตุใดชายคนนี้ถึงเป็นแบบนี้ยิ่งทำบุญยิ่งยากจนจากเศรษฐีกลายเป็นขอทานเทวดาจึงรู้ว่าชายคนนี้ในอดิตชาติทำกรรมหนักไวห้หลายเรื่องชาตินี้จะต้องอดอาหารตายและชาติต่อไปจะต้อดรนฟ้าผ่าตายและชาติต่อไปอีกจะต้องถูกเสือกัดตาย หลังจากประชุมกันแล้วเทวดาทั้งหลายก็ตัดสินใจจะทำให้ชายคนนี้รับกรรมในชาติเดียวไปเลยชาตินหน้าจะได้รับผลบุญหลังจากนั้นไม่นานชายขอทานผู้นี้ก็ประสบปัญหาขออาหารไม่ค่อยได้เพราะบริเวณแถวนั้นมีไัยแรงข้าวย่างหมากแพงก็เริ่มที่จะหิวโซร่างกายผ่ายผอมเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะมีวันนี้ตั้งใจจะไปขอทาน ในเมืองทางที่เดินไม่ค่อยไหวแต่ก็พยายามจะเดินไประหว่างนั้นก็มีฝนฟ้าขนองและเกิดพายุขอทานเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆจนทําท่าเป็นลมอยู่แล้วฟ้าผับผาเปี้ยงลงมาที่ล่างของขอทานทําให้ขอทานสลบลงไปแต่ไม่ตายเพื่อนบริเวณนั้นเป็นป่าเสือตัวหนึ่งหลังจากที่ได้กลิ่นเนื้อของชายคนที่โดนฟ้าผ่า ออกมาแล้วกระโจนเขากัดขย่ำกินชายผู้นี้เป็นอาหารจนเสร็จเนื้อกระจุยกระจายสภาพเป็นที่อนาจใจแก่ผู้บรคคบเห็นข่าวการตายของชายใจบุญเนี่ยลือไปถึงภรรยาที่ทำงานอยู่บ้านเศรษฐีเธอจึงมาร่วมจัดการศพทันเห็นศพสา ม, มีเธอก็โปรงสังเวชว่าชาตินี้พี่ทำความดีไปตลอด บุญไม่ช่วยพี่เลยเธอจึงเอานิ้วขึ้นมากัดจนเลือดไหลแล้วก็เขียนที่หน้าผากของสามีสามคำว่าบุญไม่ช่วยแล้วเธอก็จากไปหลังจากจัดงานสบเสร็จแล้วหลังจากนั้นหนึ่งปีผ่านไปพระราชาก็ดีใจที่มเห็สีประสูติโอรสคนแรกเพราะโอรสคนนี้จะเป็นรัชทา ย, ยาท และจะสมบัติต่อไปแต่หลังจากที่ดีใจได้ไม่นานพระราชาก็กุ้มใจแทนเพราะว่าเด็กเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดเลยร้องไถ่เท่าไหร่ก็ไม่หยุดและที่สําคัญตรงหน้าผาของเด็กคนนี้มีอักษรสคําเขียนว่าบุญไม่ช่วยพระราชาก็บริจาคทำไงจึงให้หวนหลวงทํานายแหาทางช่วยโหรหลวงก็บอกให้ให้ไปตามใครก็ได้ที่ที่สามารถลบ อักษรสามคำนี้แล้วให้พระราชาเนี่ยให้รางวัลพระราชาจึงเปล่าอากาศหลังจากข่าวนี้ออกไปภรยาของชายที่ใจบุญค้นทราบข่าวก็เดินทางเข้ามาในวังเพื่อจะดูเด็กหลังจากที่เธอเห็นหน้าโ อ, อรสพระราชาเธอก็ขออาสาแล้วเข้าไปอุ้มทารก ฉันเห็นอดีตภรรยาก็ยิ้มยันแจ่มใสเธอก็รู้วนเนี่ยเด็กคนนี้ต้องเป็นอดีตสามีของเธอเพราะมีสัญลักษณ์ที่เธอเขียนไว้แล้วก็บอกว่าบุญเนี่ยช่วยพี่แล้วจากนั้นก็ใช้นิ้วเนี่ยลบก็เกิดเหตุมาสัจจรื์คืออักษรบนหนาผากหายพระราชาก็ดีใจมากถามว่าจะต้องการอะไรเป็นรางวัลอดีตภรรยาก็บอกว่าไม่ต้องการอะไรเป็นรางวัลขอเป็นพี่เลี้ยงของพรารถ พระเชาก็จัดให้ตามประสงค์เรื่องนี้ก็จบลงได้ดีเพราะบางครั้งบุญเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยในตอนนี้อาจจะช่วยช่วยในชาติหน้าก็ได้บางคนทำทาดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วแต่เรื่องนี้ไม่จริงนะเพราะว่าอัตมาสังเกตเนี่ยคนทำดีเนี่ยต้องได้ต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเราสามารถรับรู้ได้อย่างพวกเราชาววัดเนี่ย เราสังเกต น, นะรถ้าพระรูปไหนเนี่ยขยันทำวัดเช้าทำวัดเย็นช่วยงานวัดเนี่ยแล้วก็ขวนขวายกีดส่วนรวมเนี่ยจะมีคนรักคนไหนขี้เกียจ <c oughs> ก็จะบารมีตกโยมก็ไม่รับถืออันนี้เป็นบุญปัจจุบันที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือคนที่มีน้ำใจขอช่วยเหลือผู้อื่นคนก็จะรักผิดกับคนเห็นกับตัวคนก็จะเกลียดเข้าใกล้ใครเขาก็ไม่อยากคุยด้วยแต่ถ้าเรายิ้มย้ำแจ่มใส มีมูลสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเขาใกล้ใครเขาก็ทักทายคุยด้วยตลอดอันนี้เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าเห็นได้ในปัจจุบันอย่างกรรมปัจจุบันเนี่ยสำคัญกว่ากรรมนะดิอย่างอาจากําพลเนี่ยนะดิในาชาติท่านาทำกรรมหนักมากแล้วก็ต้องสร้างบุญไว้มหาศาลเหมือนกันพราะท่านสามารถเห็นธรรมได้คือต้องมีอย่างแดงหนึ่งอะแต่เราไม่สามารถเห็นได้แต่กรรมปัจจุบันสําคัญกว่าท่านเจริเสติจะสามารถอีดวงตาเห็นธรรม พระกรรมทางกายเดียไม่มีใครหลีกหนีพ้นสมัยพุทธกาลพระโมคคลาพระพัยยะยังต้องรับกรรมเลยขนาดเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระโมคคลายัางโดนโจนฆ่าตายศพศพเละแบบอเนจอนาตพระพยยะยังโดนบัวหิดตายพระอาหารหันต์บางท่านก็โดนงูกัดตายก็มีเรื่องกรรมจริงเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยแต่กรรมปัจจุบันนี่สคัญกว่าบางคนเกิดมายากจน แต่ถ้าเราขนขวายินลนหาความรู้พัฒนาตนเองเราก็สามารถสร้างกรรมใหม่ได้สามารถสร้างเหนือทางตัวได้แต่ถ้าเราจานวนต่อกรรมเราไม่ขนขวาลก่อไปตามยะถากรรมชีวิตเราก็ตกต่ำกว่าเดิมหมอดูเนี่ยทำนายได้เฉพาะคนที่คนที่แบบไปตามยาถากรรมแต่บางคนเนี่ยส่วนกระแสกรรมหมอดูก็ทานายผิดคนที่ไม่ยอมจานวนต่อกรรม พรกรรมเนี่ยสามารถทํากรรมใหม่ได้เราเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยคือทํากรรมใหม่พอยิ่งยิ่งทำ บ, งบ้างๆก็ทําให้รู้จักตัวเองและมีมนิสงความคิดที่เป็นกรรมเก่าความนิสัยเคยชินเดิมๆเนี่ยมาปรุงแต่งเราก็ไม่สามเราก็ไม่ทําตามมันก็ได้แต่าบางคนเนี่ยติดเหล้าก็ต้องกินเหล้าอะ่ะกินเหล้าจนแบบพอกินบ้างๆร่างกายก็สุดโทมแล้วก็ป่วย เป็นโรคตับมั่งเป็นโรคอื่นๆื่นอีกมากมายเพราะเขาเพราะเขาแบบตามยถากรรมโคนติดบุหรีดูดหมอสาให้เลิกก็ไม่ยอมเลิกพอดูดมากมากปอดก็เสียร่างกายก็ไม่ดีแต่ถ้าเขาเลิกดูดแล้วออกกังกายเนี่ยร่างกายก็จะดีขึ้นคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่ามาคนพักผ่อนไม่พอเลยเที่ยวเตะเฮฮาสุขขนานบางคนสามารถเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนหรือหลายวันก็ได้ ปวดหลับป น, นอนมากๆร่างกายก็สุโสมบางคติดยาธรรมดาสติคนเราก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วพอติดยาก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเพี้ยนสตงสติไม่มีกลายเป็นคนบ้าก็มีเป็นเปโรคประสาทก็มีเพราะสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เราทําเองคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมได้สร้างกรรมใหม่ที่ดีแต่กรรมเก่าเราก็ต้องชดใช้เหมือนกันถ้าเขาให้ผลถ้าเราสังเกตน่ยจะมีคนตายทุกวัน ที่เจ้าตัวก็คาดไม่ถึงอุบัติเหตุต่างๆอาจจะเกิดขึ้นกับเราที่ไหนก็ได้สิ่งเราทําได้คือไม่ประมาทไม่ประมาทแล้วก็ต้องยอมรับความนจริงอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องทําใจได้แล้วปล่อยวางเป็นจะพวกญาติโ ย, ยมเถื่อมีบุญนะได้มาวัดมาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเพราะบางคนเนี่ยก็ไปเที่ยวเตะเฮฮาสุขสนานโอกาสที่มาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของง่ายเลยพอทําบุญแล้วก็ไปเที่ยวต่อ ที่จะมาวัดมารักษาศีลมาภาวนาจึงมีน้อยต้องมีอุปนิสัยเดิมเดิมแบบจะอยู่ได้อันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญนะทำยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งใดที่ถูกต้องขอให้สมปรารถนาขอจบลงแค่นี้